คือถ้าถผมอ่านนั้วผมจำได้แถวๆก็มีคนหนึ่งคนซึ่งมาจากครอบครัวซึ่งจับว่ายากตรงติแต่ถ้ว่าเด็กผู้ชายคนเนี้ยเป็นเด็กที่มีปัญญาซึ่งพ่อแม่และครอบครัวพี่น้องเนี่เห็นว่าสามารถจะเรียนต่อไปอจนจบทั้งปริญญาได้เพราะฉะนั้นพ่อแม่และพี่น้องทุกคนได้ยอมนะไม่มีใครเรียนหนังสือเพื่อจะเก็บเงินหางเงินส่งเสียกับเด็กผู้ชายคนนี้ ให้เห็นหนังสือทุกคนน่คงลำบากพอสมควเด็กคนนี้เรียนไปแล้วก็ศึกษาธรรมะและก็มีความทราบซึ่งในธรรมะอย่างนีนน้เมื่อจบได้ป ร, ริญญาแนละ้วปรากฏว่าคือเด็กคนนี้พ่อแม่หรือทุกคนเนี่ยวังเหลือเดินว่าเมื่อจบมาแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นหลักกับครอบครัว ทำงานทำการหาเงินหาไรายได้ส่งเสียน้องหรืออาจจะช่วยแบ่งเบาภาระในการส่งเสียจากพ่อแม่บ้านคือพ่อแม่จะได้สบายตัวขึ้นบ้านสักเล็กน้อยเพื่อช่วยหววเหลือ น, น้องต่อไปแต่ปรากฏว่าเด็กคนนี้เมื่อเรียนจบแล้วเนี่ยมีความทราบซึ้งในธรรมะอย่างนี้จนถึงกับขอลาพ่อแม่หมดไม่ทางานขอหมดนะพ่อแม่เนี่ยก็ร้องไห้ แล้วก็พยายามพัดค้านแต่ลูกบอกว่าศรัทธาในศ า, าสนาเล้อเกินะจะคพัดช้า ง, งผลสุดเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องยอมให้ลูกซึ่งถ้าด้วยในแง่ของผมที่ผมอ่านแล้วผมฟังดูเนี่ยผมรู้สึกว่าคงจะด้วยความไม่เต็มใจอะไรหนักหนาที่รู้เรื่องเนี่ยผมกินใจมาคือผมถืออย่างนี้ครับผมก่อผมถือว่าี่ความเห็นส่งตัอตของผมนะผมจะไม่ไมค่อยได้เข้าวัดทวารอะไร ผมถือว่าโลกมนุษย์เนี่ยมันจะต้องมีสองส่วนส่วนหนึ่งคือส่วนศาสนาส่วนหนึ่งคือชาวบ้านธรรมนาซึ่งจะต้องประกอบธุรกิจธทำมาหากินคืออย่างผมเนี่ยผมมีครอบครัวผมมีลูกมีเมียเมื่อผมมีมาอยู่ในครอบครัวเนี่ยก็ต้องมีงความรับผิดชอบต่อครอบครัวมีความผูกพันรับผิดชอบต่อครอบครัวต่อสังคมต่อประเทศชาติทีนี้ใน ส่วนหนึ่งเนี่ยเท่าที่ผมอ่านที่สำนักเนี่ยนะฮะอาจจะคนอื่นเขียนหรืออะไรเนี่ยว่าจุดประสงค์เนี่ยต้องการให้คนทุกคนเนี่ยเป็นขลังผมก็มาคิดดูในใจว่าถ้าในขณะนี้นะฮะผมเนี่ยเป็นคาราวาผมประกอบอาชีพหรือยังเมียผมเลี้ยงลูกผมทําความมาให้ความสุขกับคนบางคนให้ความช่วยเหลือกับประชาชนบางส่วน และประทำบุนบ้างบางส่วนคือมีส่วนซึ่นผมช่วยทนุบำรุงพุทธศาสนาแต่ถ้าหากว่าทุกคนเป็นพระรวมต้งผมด้วยเราก็ต้องพระก็ต้องไถนาพระก็ต้องทํามาหากินพระก็ไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติวินยัยพระก็ไม่มีโอกาสซึ่งจ ะ, ะมาให้คําแนะนําชักทูงประชาชนให้ความสว่างเพื่อให้เกิดความสงบใจเพื่อเป็นแนวทางให้โลก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 บุคคลอีกส่วนหนึ่งขึ่งทุกคนเนี่ยไมนะยเหลือคนคนนี้มานี่ปัญหามีว่าความเห็นลูกของมเนีถูกหรือผิดตรงไหนถูกของคุณหมอเหมืันความเห็นนี้แต่ว่าเป็น่นี้นะครับอัตมาจะถามเพืนสักข้อหนึ่งว่าทองหนักหนึ่งกิโลตะกั่กวหนักหนึ่งกิโลถ้าหาปลาเอามาให้คุณหมอคุณเจาหอะก็คงเอาทองเอาทองนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นเนี่ย เมื่อควาเห็นเขาว่ามันเด็ดขาดอย่างนั้น่มันอันนั้นเลยมีราคากว่านั้นอย่างตะกัวกับทองคําแล้วเขาก็ต้องเอาทองคําอย่างคุณมัสผมจะเอาทองคําทําไมถึงเอาทองคําทําไมไม่เอาตะกัวก็มันมีค่านั่นแหละเขาเห็นมันมีค่ากว่านั้นอันนั้นก็เหมือนกันเห็นมันมีค่ากว่านั้นแหละเขาจึงตัดสินอย่างนั้นอืมันเป็นอย่างนั้นเรื่องเรื่องอันนี้ก็เหมือนกันแค่นั้นอย่างนั้น เราอยากจะคิดเช่นนั้นสิคิดแล้วก็ไม่ว่าหรอกแต่ว่ามันจะถูกคิดที่เจริญอะไรเงี้กลัวนะคุณหมอเี็กกลัวไม่มีใครอุปสรรคการมายิ่ใครสร้างโครคไปนะเขามาจ้างคนประเล่นดนต ร, ตรีคุณหมอไม่ต้องเดือดร้อนเขาจ้างแต่คนผู้เล่นดนตรีแต่ไปเล่นยังยังเล่นดนตรีไม่เต็มอย่างคุณหมอเขาไม่มาจ้างหรอกนะคงจะไปบวชหมดทุกคนไม่ได้ในบวชนับแต่คนไม่ได้ของเรานี่มันเป็นของมันยูอย่างเงี้ย เาอยากขีวนพวระชนใช่ไม่ได้ไม่หวนยคนษ์คได้ไม่ได้เป็นพอหไม่ได้อันนี้เรามองรู้ว่าอันนี้คืออะไรมรรคผลเราที่ผลใครมีปัญญากแก้ไหนต่อแก้นั้นไม่ได้บีบขั้นอย่างนั้นเลยอาจจะมาเคยเคยไปเหมือนกันบอกว่าค่าศัตรูมันบาปนะเนยมีคนมาต่อมานัองพ่อเอาพริกให้ฉันจุกวันได้ไม่ได้ใครจะเอาพกมาฉันจุกันได้นี้นะไปติดตามจะมาเปล่าโขลกพริกฉันจุกันได้ไหมไม่เอาอยู่เแล้วใครจะมี ถ้าจะมีเวลานําโขกพิษใส่้าะชันย์ยทวันท ว, นทวนคือเรื่องเหล่านี้พูดไปเฉยๆแต่เรื่องโลกมันเจนอยู่อย่างนี้เองมันเราจะตัดชิ้นเป็นคนามไร้หมดก็ไม่ได้ดีหมดก็ไม่ได้คนที่มีปัญญาจชเลือกเอาในโลกคนนี้สูดทางหลายจงมารู้โลกนี้อันหน้าตา ก, การดดุราตารสอันพวกคนเขาทางหลายหมกอยู่แต่พระผู้หาของอยู่ไหมความยืนยันของพระพุทธเจ้ า, าของเราในตรงนีน้อย่างนั้นะ ไอ้เจตนาที่เราออกบวชช่นนั้นน่ะไม่ใช่เราจะเพื่อว่าให้ไอ้พ่อแม่เราสูญเสียใอ้ลูกหลานเราสูญเสียให้ตระกูลเราสูญเสียอะไรเลยนะนึกว่าแม่ตระกูลเรายังหมกอยู่ในจงเยนิโคลเยอเกินถ้าเราไม่ออกแค่ตระกูลหนึ่งมาจาับจิตข้างมันจะไม่ได้แต่ละมันเนี่ยอุตสาหออกไปเนี่ยเพื่อตระกูลนีทำธุรกิจดีขึ้นแต่คนขนาดนึงก็เห็นว่าเสียฝนแล้วบาปอย่างคุณหมอเนย ต่คิดจนี่นี่มันเป็นอย่างนี้อาจจะมาถึงถามโยมว่าตะกรวนี่มันหนักกิโลหนึ่งทองคําหนักกิโลหนึ่งข้าแบ่งกันพครจะเอาอะไรก็เปรียบได้ว่าเมื่อเขาตัดหินใจก็ออกบวชตลอดชีวิตของเขาจินั้นเขาเห็นอันนั้นมีรคาคาสูมากเห็นโลกทั้งหลายนี่เป็นตะกรวไม่มีรคาคาเขาจึงไม่เอาเหมือนคุณหมอจองการทองคํากิโลหนึ่งตะกรวกิโลหนึ่งไม่เอาทําไม ข้อก่อตะกามันน้อยหรือสนึงมันตระกามันน้อยไม่มีาา ต, รตระการตีก็จึงตัดทิ้เราสองคําเป็นเช่นนี้เป็นต้ น, ถ, าานถ้าเราพิจารณาแยกพายแต่เป็นน ไ, ไม่ใช่ว่าเราจะบวชอะไรเพื่อให้รูกจีบหายให้เมียจิบหายให้ตระกูลจิบหายให้อะไรจิบหายไม่ใช่อย่างนั้นในใจยังไงนะในใจย่างไงอันนี้คนทนํ า, าได้ยากเหลือเกินคนที่มีปัญญาซึ่งซึ่งมากทิสุด จนกว่ายังอย่างคุณหมอเห็นอย่างนี <t ani S 2> <t ani> ้น่ะจนมันกลับตดับปัดกันเลยอย่างหน้ามือหลังมือจึงทำได้ถ้ายังเห็นเฉพาะอย่างคุณหมอเท่าี่ก็ยังทํำไดะอย่างนั้นแต่เมื่อเขาทำอย่างนั้นด้วยจิตนาดีของเขาได้ก็ถูกด้วยเรียกก็ถูกด้วยแต่เพราะเขาเห็นดักดักในหลักธรรมะจริงๆฉะนั้นถ้ามีประพาของเราทั้งหลายนั้นเนี่ยต้อ็บาปเป็นหมดเลย พระพุทธเ้าหรคนบาปกันหมดทท่านั้นถึงแม้ว่าลูกหลานพี่น้องจะมีความทุกข์อย่างไรก็ตามมันแต่แบบเราจะโปรดเอาพวกนี้นะสอนพวกนี้ให้มาอยู่ในที่สว่างเงินอยู่ในที่มืดมาพอแล้วคิดเช่นนี้เขาจะัดสินใจอยู่เช่นว่าอย่างลูกพันธุ์อีกประโดด ท, ทุกวันเรียนจบมาจากนอกแน้ว ก็ S <S <an> ลเลยมาบวชการจำานบวชโดยตัดสินจิตเพ่ใจไม่สึกั้งแดกพอไปดูงละมัดมากแต่เดี๋ยวนี้ก็ไปมไม่บ่อยมาไมบ่อยฟังธรรมไมบ่อยรู้สึยว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่อยากให้อยู่นี้เนี่ยอยากมีกลับไปพักผ่อนไม่อยากให้อยู่ไ ป, ไปๆๆอันนี้แหละมันคลี่คลายออกมาเมื่อมันเห็นสิ่งอันใรที่เรามองยังไม่เห็นนั่นก็รู้ว่ามันได้เกิดประโยชน์อะไรสักนิดนึง แต่ว่าประโยชน์นั้นมันมีอยู่เพราะปัญญาเรามีถ้าก็ไม่มีปัญญาก็ไม่เห็นประโยชน์ในเที่ยนนั้นเที่ยอย่าไปคิดรวมสิาใครกวาดคนกวาดเป็นท่ากันหมดแล้วใครจะอยู่ในโลกนี่โอ้ยมันยิ่งมากคุณหม อ, อยาแลนยาโลกมันจะบางเลยมันจะหนักแน่นขึ้นเท่านั้นแหละอย่าไปคิดว่ามันจะบกบางในโลกนี้มนนนไม่ยิ่งหนักขึ้นไปเยอะที่นี่เมื่อฉันบวชมาแล้วยังก็มาปราบไอความชั่วอัจฉรให้คนเข้าใจ อยู่เย็นเป็นสุขไม่มากก็ต้องน้อยช่วยกันทําช่วยกันเอาคนงามความดีให้เหตุผลอย่าให้เบียดเบียนซึ่งกันเดีกันซึ่งบุคคลทํามาอาชีวะด้วยกันหาจินมอยู่แล้วไนะอยจะไปเบียดเบียนซึ่งกันทุกแง่ทุกว ง, กงเกณนนี้ถ้าเราไปคิดว่าเออจังหวัดกันหมดจันงนั้นก็แย่บวดไม่ได้ดูนมือเลยอย่าไปดึงนี่มือมันเป็นขนาดเบียดกันเลยมันเป็นอย่างนี้นีนี้จะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นอย่างนี้ นี่คนนึงถ้ามันได้เสมอกันมีประโยชน์ไหมนันจะมีประโยชน์ของมันไยไอตัวรี่เล็กตีมันจะมีประโยชน์ไหมถ้ามาหาว่ามันไม่เท่าเพื่อนเราก็ตัดมันจริงจังอย่างน้อยตัแกะที่จะโผล่ไงได้มันมีประโยชน์ทุกเนี่ยทุกมุมถ้าเราไปคิดเช่นั้นไม่ได้เรามันรวมกันนี่โรคเป็นไปงั้นได้อย่างนั้นก็ไม่เป็นโรคอย่างนั้นก็โรคไม่ไม่เป็นโรคแล้วมันไม่เป็นโรคไอเพราะว่ามันเป็นโรคอยู่มันถึงเป็นอย่างนี้ ไอ้ทานไอ้คนนั่นที่มันถูกสอนให้เห็นที่ถูกมันก็เห็นไม่ได้ไอ้พูดที่มันไม่เห็นไอ้ตรงนั้นมันผิดสอนแต่ตรงนั้นมันผิดมันก็เห็นไม่ได้บางคนตรงนั้นมันผิดพอเห็นเนี่ยพรเดียวรู้จักตรงนั้นมันถูกรู้จักบางคนรู้จักผิดถูกเคยก็ได้อย่าไปกลัวเรื่รูปมันจะเบาบางฮะอย่าอย่าเข้าใจว่าไอ้คนจะหมดคนสร้างรูปต่อไปผมผมเข้าใจครับผมคือคือเนี่ยมันมีหนึ่งอันนะคือผลมีพระเป็นเพื่อนใช่ผมเป็นพระ ผมเพื่อนหลงเพื่อนก็คุยกัน <c oughs> ผม <c oughs> เรื่องการทําบุญผมก็บอกว่าผมเนี่ยไม่ไปไหนทำบุญแล้วก็อยู่ตายกันนานๆกัมาถวายกันทพูดกันเนี่ยก็ผมก็ฟังแล้วหลักการเขาถูกต้องคือผูดจังหวัการทําบุญเนี่ยผู้ทําบุญอย่างที่ผมเห็นเนี <c oughs> ่ยนานมาแล้วเนี่ย <c oughs> บางคนยากจนไม่มีจะกิน <c oughs> ไอ้ลูกเต้าไ ม, ม่นีจะกินอยากกินเลยเ <c oughs> งินเนี่ยเก็บไว้ซื้อทูเรียนให้ป้า ผมก็ถามมาถูกว่ปะเพื่อนผมบอกผิดการทําบุญนั้นจะต้องทาโดยไม่เป็นอภาระไม่ใช่คือคล้ายๆกับแหม่เอ็ลูกหลานหรือคนเราเนี่ยอยากจะกินหรือไม่เนี่จะกินแต่อยากกินเลย ใ, <ช>ให้พระท่าน<ช>ถามเถอะได้บุญนะพระเพื่อนผมว่าผิดการทําบุญต้องทําในสิ่งซึ่งเราสามารถทำได้และไม่เป็นภาระต่อผู้อื่นนะฮคื อ, อถ้าคล้ายกับที่ผมติดใจเรื่องของเอ ผมที่ได้เริญญาแล้วไปบวดเนะ่ผมก็มีถือหรือผมรู้สึกหนึ่งอันว่าการทำบุญเนี่ยควรจะเกิดความสุขในใจทั้งตัวเราและผู้อื่นนะไม่ใช่่แม้ผมไปล้วงกระเป๋าคนนี้มาเอาไปทำบุญไอ้คนเนี่ยจะเอาสตางค์เนี่ยไปรักษาลูกลูกจะตายที่โรงพยาบาล น, นะผมไปเอาหมานั่นเพื่อเกิดความทุกข์กับผมชั้นเดียวกันเนี่ยที่ผมติดใจว่าทำไมผม ถึงมีปัญหาว่าไอ้ที่ไหนปริญญานี่แล้วไปบวชพระเนี่ยได้บุญผมเข้าใจที่หลวงพ่อสอนผมหมืดเรีย น, นะครับแต่ที่นี้ที่ผมติดใจหนึ่งอันตัวถ้าจะทําบุญแล้วไม่ควรจะอ่าเป็นเชิงว่าเป็นบาปนิดนิ ด, นดคือว่าคนอื่นมีคนพวกหนึ่งต้องมีความทุกข์ถ้าจะทําบุญเนี่ยควรจะเกิดความสุขความอิ่มเอิบใจทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นการที่อ่าพระที่ทําบวช ท, ที่ผมว่าเนี่ยนะะ จริงจะไปเทศนาเผยแพร่หลักธรรมอะไรต่ออะไรแต่ผมถ้าให้ผมดูแล้วง่ายๆแลผมว่าพระองคเนี่ยยังเด็กเอาอันที่หนึ่งนะยังเด็กมีหลวงพ่อกับอาจารย์นี่ก็มีใครก็มียอซึ่งทําหน้าที่เผยแพร่ธรรมะแ ต, แต่จะมาทําตัวเนี่ยจะมาทําตัวเหมือนพระพุทธเจ้านะ <c oughs> เหมือนว่าตัดลาหุนตัดไปทํามาเอตตีไปเอาไปบวชนล้วมันพระพุทธเจ้าท่านเป็น ผู้นำศาสนาเป็นศาสดาของเราคนซึ่งทำชื่อแรกเนี่ยคนอื่นยังมองไม่เห็นนะยังมีกิเลสมากยังมองไม่เห็นทางที่จะเกิดความสุขกับคนส่วนใหญ่ก็ได้เหนี่ยวร่างไว้ไม่ให้พระพุทธเจ้าปลอบปรวดแต่ในปัจจุบันเนี่คุณพ่อก็มีอาจารย์หมวงอาจารย์มีเยอะจะซึ่งเผยแพร่ธรรมะเมืองเราจึงอยู่ได้ทุกวันเพราะฉะนั้นคนคนเนี้ไม่สําคัญขนาดหลวงพ่อหรือขนาดที่จะทําตัวเหมือนพระพุทธเจ้าที่ทําไมของเมืองเนี้ ผมตำหนิว่าการทําบุญโดยไม่คำนึงถึงเวลาถ้าหากเรารออีกสองปีสามปีห้าปีถ้าคนเราเนี่ยยึดมั่นพอไม่เสือ่อมไม่เลยนะแล้วเขยึดมั่นปฏิบัติธรรมไปจนถึงเวลาสมควรเมื่อจะไม่เกิดความทุกข์กับผู้อื่นเมื่อจะไม่เกิดความลํำบากใจกับผู้อื่นเมื่อจะเกิดความอิเ่เติบในศรัทธากับทุกคนแล้วจึงจะเป็นเวลาซึ่งควรจะดุจที่ผลตํำหนิเยอเกินคือการเลือกเวลาไม่ถูก นี่ยที่ผมถือว่าเป็นบาปเนี่ยเหตุผลที่ผมต้องการเท้าถือหลวงพ่อเนี่ยผมว่าเวลามันผิดทีนี้หาคนอย่างไงที่จะดูเวลาเนี่ยคนคนเนี้ยครับถ้ายึดมัน่นอีสเจตีเนี่ยก็บวชย่างนั่งก็เป็นคนดีแต่ถ้าถากว่าเจตีแล้วเลิกไปมีเมียไปกินเหล้าผมบอกว่าอะไรย่างไรควราะไว้จะหาที่ไหนเมียนะอยากใจเพียงเทั้นทุกคนทุกคนว่าถ้าหาเขาเว้นว่า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 เขามาไม่ใว่ใจในความตายของเขาแล้วถ้าหากว่าเขาเห็นอย่างนี้เขาก็บวชของเขาจะทำยังไงนี่เ <Nem. S 1> <Ừ. S 2> ออนี่ยถ้าหากว่าคนนั่นก็เห็นอย่างเนี้ยไม่เห็นเหมือนเราเราจะต้องบอกอาจารย์หกปีเจ็ดปีถึงการถึงเวลาอาการดีกเรื่องการตายมีการมีเวลาไหมถ้าหากว่าคนนั่นก็เห็นอย่างนั้นจะให้เขาทำยังไงคือที่ผมเนี่ยผมมายถึงว่าเห็นแก่ตัวเอะ คนเขเนี่ยเห็นแก่ตัวคืออะไรมะเห็นแก่ตัวนะครัเพราะว่าอะไรมะจะเอาความสุขคือความขุดของในพุธศาสนาทำตัวคนเดียวนะถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นเราทำนี่ใช่ดีกว่าอย่างคุณหมอนี่ก็เรียนเป็นหมอก็เห็นแก่ตัวท่านนี่ะถูกครับเือถูกนั่นเอ่อทำไมเมื่อคนยังมีตัวอยู่เห็นแก่ตัวต้องตัวีอยู่แต่ว่ากคนทำชินนี่นั่นเห็นแก่ตัวตัวนี้อย่างพระพุทธเจ้าบางเรืงเนี่ยไม่เห็นแก่ตัว ท่านทำลายตัวของท่านทำที่ว่าตัวตัวตัวนี่คือสมมติขึ้นมาเฉยๆคนที่ทำในขนาดนั้นจึงจะไม่มีตัวแน่ๆพวกเรามีตัวอยู่คนนึกว่าเขาจะมีตัวเหมือนเราเราคิดว่าเขาเห็นแก่ตัวแต่ตัวของท่านท่านบอกว่าไม่มีแล้วมีดินมีน้ำมีไฟมีลมไม่มีตัวเลยไอ้คนที่เห็นเป็นตัวนี่ก็ยังเห็นว่าดินน้ำไฟลมเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นเขาอยู่อย่างนี้คำพูดอย่างนี้มันบอกความเห็นมันจะไม่ถูกกันแหละมันก็ไปกันเรื่อยๆเนี่ย พระพุทธเจ้าจุดที่สุดของท่านไม่มีตัวมีเดินมีหน้ามีไฟมีเราประชุมกันขึ้นเป็นก้อนหนึ่งเท่านั้นตัวสัตว์ตั ว, ศาศาวคนไม่มีอย่างนี้ถ้าหากว่าคนนั้นถึงจุดนั้นนะจะให้คไปเรืงแก่ตัวได้อย่างไงเพราะมันไม่มีตัวลอลไรเราที่เห็นแก่ตัวก็เพราะเรามีตัวอยู่อย่างเนี้ยจะพูดถึงเรื่องไมีตัวก็ไม่รู้จัก้เรื่องของวิสัยมนุษย์ในโลกนี้กับเรื่องที่มันพุ่ไปมันต่างกัน เช่นอาการที่อาจารมาจะพูดสักคำสองคาให้คุณหมอฟังว่าคนเราทุกคนเนี่ยถ้ากล่าวคำหนึ่งว่าเดินไปก็รู้ถอยกลับก็รู้หยุดอยู่ก็รู้ถ้ามีคําอีกคำหนึ่งพูดขึ้นมาอีกว่าเดินไปก็ไม่ใช่ถอยกลับก็ไม่ใช่หยุดอยู่ก็ไม่ใช่จะอยู่อย่างไง พวกคำนี้ว่าคนเราเดินไปฟังเราก็รู้จักถอยกลับเราฟังก็เข้าใจหยุดอยู่เราฟังก็เข้าใจแต่มีคำสองขึ้นมาว่าเดินไปก็ไม่ใช่ถอยกลับก็ไม่ใช่หยุดอยู่ก็ไม่ใช่จะเป็นยังไงอันนี้คนนี้ถึงจุดนี้คนนั้นถึงจุดมุ่งนี่มันเป็นเช่นนี้มันที่ว่า เรื่องวิสัยของโพวดกับเรื่องธรรมะที่สูงสุดนี้มันเอื้อมมือไม่ถึงแลวเดินไปก้าวไปแล้วรู้จักถอยกลับแล้วรู้จักหยุดอยู่แล้วรู้จักไม่เดินไปไม่ถอยกลับไม่หยุดอยู่นี่เราไม่รู้ได้ยินเจยๆก็หายไปตรงนี้แหละตรงมนุษย์ที่ไม่รู้เรื่องมันจึงมีปัญหาสับสนอยู่มากมาย่กายกองเลยอันนี้แต่คำพูดชนิดนี้นะเ ป, นเป็นคำพูดของโลกุตระเป็นคาพูดของศาจา้า ถ้ามันโตขึ้นมาแล้วขนาดนี้เราทำไมแต่ก so uh ่อนเราเป็นเด็กใช่ยเป็นเด็กเด็กเล็กที่นี่เมาเราโตขึ้นมาขนาดนี้เราเราคิดนึกถึงเราเป็นเด็กมันใช่ได้ไหมที่เราเป็นเด็กทําไมถึงมันกลายมาเป็นอย่างนี้ได้เพราะเพราะมันเป็นอย่างนี้มันมีอาหารต่อมาอย่างนี้เรื่องของมันนี่เรื่องของโลกที่นี้มันเพ่ดมันไม่เข้าจุดกันนีนแต่มันมีทุกคนนะที่มันุษย์ทยที่ทํำอี่างนี้มีเหตุผลยิ่งแต่เมื่อทําเหตุผลเรื่อยๆไปนะเหตุผลผลมันต่างกัน คนโม่มันก็มีเหตุ เ, เหตุผลเหมือนกันคนฉลาดก็มีเหตุผลเหมือนกันไอ้คนฉลาดก็มีเหตุนี่ผลคโงโมันก็มีเหตุนี่ผลทั้งนั่งอะได้ความมาเหตุผลอิจฉไปได้เมื่อพระพุทธเจ้าจันตัดขึ้นมาจ้าข้าพระเจ้าทํำนี่นอกเหตุเหนือผลนอกปิดเหนือตายนอกสุขเหนือทุกข์นี่จะมียังไงอ่มันอยู่คนเสี้ยอย่างนี้นะมันอยู่คนเสี้อย่างนี้นะ อย่างม้คุณหมอนี่แหละแต่ตอนเป็นเด็กเคยเล็นดุกระงอยไหมเนพวงดูกละงอยสบายล่าเรื่อวในดูกระงอยเนีเอ๊ทีนี้เมื่อโตมาขนาดนี้แล้วนะไม่ต่างกระดิ่งนล้วไม่คิดอยากจะเล่นของอย่างนั้นทําไมทึ่ไม่อยากเล่นเพราะว่ามันไม่เป็นไปอยู่แน่มีมันโตมาแล้วเห็นไหมแต่ว่ามันมีประโยชน์เมื่อเรายังเป็นเด็กอยู่ในขณะนั้นนะสมวุฒิในขณะนั้นเราเห็นดุกระงอยเป็นราคาเลืกิ เล่นสนุกสนานเอ้าเอ้าไปเยอะไม่ทุกเรื่องแต่ว่าเมื่อเวลาด้วยผมมันแตกก็ร้องไห้เลยทําไมเป็นงั้นไอการเด่นในสิ่งทั้งหลายแล้วนี่เนี่ยเรียกว่าจิตเข้ามาไปจดจ่อที่นี่ไหวเข้ามามันครอบกันมากายกันมาเลยกันมาถึงขนาดนี้น่ะคุณหมอที่จะเล่นด้วยผมอย่างเด็กไหมนี่มันจะเป็มอย่างนี้เราจะแก้ปัญหามปนยังไงเมื่อเขาเขาคิดขึ้นอันที่เขาคิดนั่นอ่ะคุณหมอก็ต้องอก่าผมไม่อยากเล่นกับทําไมไม่เกิดประโยชน์ เด็กทำไมลูกได้ัดเด็กสิเน่ะแปลว่ามันเป็นประโยชน์เด็กมันกรเที่ยงคุณหมอทีมันเป็นประโยชน์ของมันนี่จะทำไงล่ะนี่ใครจะชนะใครจะถูกใครจะผิดเนี่ยเด็กมันก็ถูกของมันอย่างนั้นผู้ใหญ่ก็ถูกของอย่างนี้มันอยู่คนในครอบอย่างเนี้ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้เนี่การปัญหาวันนี้ดีมากอันนันอยากให้ถามได้หลายปัญหามันให้มันกระจายซะ มันคนในเรื่องกันนี่มันคนในเรื่องผมผมก็พอปอปอพอจะเห็นเออนั่นแหละนะฮะอืมที่ผมซื้อผมซื้ออีกหนึ่งอ่ะอ่อันนี้ที่ผมยึดถือเองตอนนี้มันต้องยอ้อนหลังอย่างเนี่ยเรื่องผมเนี่ยนะถ้าโยมเป้าเนี่ยนะเมื่อสักสิบกว่าปีแล้วเนี่ยนะโอ้โหวิ่งวบมันหมอนจริงนะผมก็ถามว่าผีเข้าหรอหรือว่าไปทําชั่วทําอะไรโอ้เร็วมา ผีสามันเข้าผมต้องวิ่งรถน้ำมันจริงๆวิ่งรจริงต่ชวนผมไปผมบอกกับผมเนี่ยผมไม่ได้ทำมานในฐานการงานของผมอาชีพของผมเนี่ยผมต้องช่วยคนออตอนนี้เป็นผู้สนยานเลงแล้วการทำงานของผมโดยทั่วๆไปเนี่ยผมทำโดยตั้งใจจะทำดีถ้าผิดพลาดไปเนี่ยไม่ได้ตั้งใจนะเจอจากความรู้เท่าไม่ถึงการ เคยเกิดจากความพลาดทางซึ่งไม่ได้ตั้งใจให้เกิดผลเสียหายผมว่าผมไม่บาปอ่ะนะฮะผีก็ไม่ถทำบาปก็ไม่ได้ทำผมไม่ลดอนุมอนนะฮะอันนี้ผมถืออยู่มืออันดัวเพระศาสนาเนี่ยไม่ว่าศาสนาไหนสอนให้เราเนี่ยมีความเมตตานะฮะเป็นผู้ประพฤติดอย่างที่ทั่วโลกเขาเชื่อครักเถอนะและพยายามเป็นผู้บริสุทธิ์ถ้าหากขั้นขัญเนี่ย เมื่อเรามีความเห็นส่วนตัวผมนะหมดภาระแล้วทางโลกหมดความรับผิดชอบแล้วนะถ้าเราอยากจะไปหาความสงบที่แท้จริง อ, ออกบวชออกบวชเสียนะเราจะอยู่ในที่สงบอันนั้นแต่ว่าในเมื่อเราไม่มีกังวลว่าเอกลูกจะต้องเสียข้าเรียนเนี่ยจะทำยังไงผมก็ต้องหักเป็นหมอดูหรือว่าลดน้ํา ม, มนต์ทะเสน่์ไปอย่างนั้นมันไม่ถูกนะทั้งผมหว่ะ สมจึงถืออยู่หนึ่งอันว่ะทำบุญเนี่ยจะได้บุญหรือไม่ได้บุญเนี่ยอยู่ที่ใจถ้าใจเราเนี่ยบริสุทธิ์เราทำอะไรด้วยไม่ได้คิดมุ่งร้ายนะไม่ได้คิดร้ายทภาพทางไปไม่ได้ส่งมันหน้ามันนะแต่มีความเวทนาพยายามแก้ไขเป็นการกระทำที่ที่น่าจะบริสุทธิ์พอ ทีนี้ไอการแสดงเช่นไปบวชถึนคราวเนี่ยอายุครบเ น, นี่ปั๊บบวชบวชส่งส่งไปนี่คือบวชตามธรรมเนียมซึ่งเขามีเอาไว้แต่ว่าใจเนี่ยมันอาจจะยังไม่สงบพอนะหรือว่าไม่บริสุทธิ์พอหรือว่ามีกังวลหรือเป็นภาระคือผมถ้าแต่ผมจำไม่ปิดเนี่ยเราจะบวชเนี่ยจะต้องได้รับอนุญาตนี่ไออนุญาตเนี่ยคลัวจะได้ตามเส็่ยงไไม่ใช่ไปอ้อนวอนบังคั บ, บพ่อแม่ไม่เอาละจะบวชละ ถ้าถืออยู่ไปก็จะเป็นเรนื่องของการบังคับซึ่งผมว่าทําให้เกิดบาเนี่ยผมถึงว่าถ้าจะทําจะบวชให้ ใ, ในกุศลไรติมหรือว่านั่ะอยู่ที่ใจการทําบุญทั้งหลา ย, ยาเนี่ยยังคงไม่โอกาสผมขี้เกียจตักบาตรจะามบาปไปทิเนี่ยผมตักบาตรทุกเชา้าผมไม่ขี้เกียจคือขี้เกียจถอเราสเท้าแต่ว่าใจเนี่ยไม่ได้คิดอึงกุศลนะไม่ได้คิดบาเนี่ยผมถึงถืออยู่หนึ่งอัน ให้ทำบุญให้ตายเนี่ยนะใจผมนิดนึงตัดบาสให้ตายไปแน้ถ้าหัดใจมันยังมีแต่ไอ้ความโลภความหลงความตู่จิตจุกติกหรือทำให้คนอื่นเป็นทุกข์เนี่ยผมว่าเลอกทำบุญซิดีกว่ามาหัดทำให้ใจสบายทำให้คนอื่นเกิดความสุขจะผิดนหมอันนี้ยกให้นะมีสองกระทุนะหนึน่ง โยมแม่บ้านนะเจ้ารถรวไม่อยู่ันเลอกเลไม่ไม่รู้วบเป็นไหนะเออมีความสุขทางงนั้นยกมาอาจจะมาอาจามาจะพูดในควังอาจะแก้ในควางนะทำไมคุณทำอย่างนั้นอย่างคุณหมอเนี่ยไก่ในบ้านนะมันหนัมรอ ไล่ปร uh, ะมาณไล่เอากางเกงให้มันมันก็ไม่เอาเราเสื้อให้มันไก่ก็ไม่เอาเจ้าอะไรมันแล้วก็เปื่อกแล้วก็เปื่อกให้มันนี่มันเป็นประโยชน์ของไก่เห็นไหมเท่านั้นแหละก็มีประโยชน์แล้วนี่เขาต้องการนั้นนั้นเสื้อดีเฉพาะมนุษย์กางเกงเฉพาะมนุษย์เขายังไม่ถึงมนุษย์เช่นนี้เขาต้องการก็เปลืกมาหาเราเอาเสื้อให้ ไก่มไม่เอาเอากระเปือกอะไกินก็ดีกว่านี่ใจไหมต่อไปเนี่ยเริ่มต้นมันไปก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นมาเป็นมนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์แต่เขาเอากระเปือกนะไรกินก็จะไม่กินนี่เริ่มแรกมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ที่คุณหมอว่าอันนี้กะทรงหนึ่งกระตรงที่สองมาเอ่ออะไรเออว่าผมไม่อยากจะทําบุญหรือจะทําบุญเอาจิตของผมเป็นบุญ เ, เป็นสนเลยอะไรกไดแต่ว่า ถ้หาหัว่าคุณหมอเป็นคนขยันนะเป็นคนขยันนะจะอดทําากรงานเลยไหมจะอดกวาดบ้านเลยไหมอดล้างชามได้ไหมอดทําอะไรดีๆได้ไหมถ้าเป็นคนขยันนะไม่พูดถึงคนเกียจคร้านนะเราถาตลอดนั่นแหละก็ต้องเข้มอย่างนั้นผู้ทีๆจะทาแล้วนะก็ดีแต่ก็ที่คุณหมอเกินประมาณไปก็ถูกเหมือนกันให้รู้จักประมาณให้รู้จกักพอให้รู้จักประมาณ ทำจนเกินเหตุแต่ไม่มีเหตุมีผลก็ไม่ได้แต่ว่าผู้ที่มีศรัทธาที่ต้องตักมาดหรือใสมาดหรวยพระอะไรเนี่ยคือคนนั้นมีศรัทธาเต็มเปี่ยมอยู่เนี่ยไม่ได้ทำโดยคนโง่ทําเดกคนมีปัญญายิ่งในเตยว่าคุณหมอนี่เป็นผู้ที่ขยันที่สุดแล้วไม่เสียทางในทางที่ชอบนะเห็นบ้านมันรกจะอดหวัวดใจไหมเห็นชามเจิมโ ป, ปกจะอดล้างเลยไห ม, ม เห็นสุนัขมันมาขี่ก็นั้นเจ็กอะไรกันดื้อเนี่ยเนื่อจะทําไงดีคุณหมอจะต้อหยุดไม่ได้ในทนะยจิไม่ใช่เขาทำความผิดเป็นอย่างอื่นอันนี้คือวันกันแนั้นต้องคิดอย่างนั้นอันนั้นทําไมต้งทําอย่างนั้นมันแสดงออกจากจิตที่คนขยันมันเตียนจะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าเข้าใจทิ้งไปเฉยเฉยเนี่ยไม่รู้เรื่องก็ยกให้ถ้าเขาทามีเหตุผลอย่างนั้นอย่างคุณหมอนั่นถ้าไม่เช็ดขี้ไก่ทําไม เช็ดขีหมูทำไมเช็ดขีม้าทำไ ม, ำไมนะก็เพราะว่าไอ้คุณหมอนี่เป็นผู้ที่รอบครอบในทางทีด่ดีเป็นผู้ที่การันตีนนเงินอยอะแล้วเห็นนรี ก, กการไม่ต้องทาให้มันสะอาดถูกต้องมันแสดงออกมาในที่นั้นไม่ใช่ว่าทําส่งไปเฉยๆเท่านั้นมีเหตุผลอย่างนั้นอันนั้นประยชน์อะไําคิดเข้าไปตามหารสดับบนดับบนก็ให้แต่ว่ามันท้าหน้ามันเป็นไก่จะทําไงล่ะือเออถ้าหนาทำเป็นไก่แล้วคุณหมอจะเอาเชื่อมันมันก็เป็นไก่มันไม่เอายจงไง นี่กขาเสือกกระโพยมันกินเั้นจะดีกว่าให้มันกินนัเนก็ไปให้มันสบายก่อนต้องแยกโขยโดยระดับอย่างนี้นะริงเรียวกวู่้รอบพู้รอบให้แคนั้นอันนี้ก็ให้คุณหมอไปติดเจตนาดีวันนี้ดีมากเอยมามามาสองคนยังไม่เคยตามปัญหาเลย<ะ>เออดีใค้อา<ะ>ให้มันออก ห, หมดอันนี้ต้องหลัอันนี้ให้ออกหมด